เรื่องศีลเป็นเรื่องทั่วๆัวไปเรื่องสาธารณะหนะมายถึงว่าไม่มีพระพุทธเจ้าก็มีการสอนกันอยู่แต่ศีลแต่ละศาสนาอาจจะต่างๆกันบางศาสนากินเหล้าได้นะบางศาสนาก็ไม่ให้ฆ่าคนแต่ฆ่าสัตว์ไดนะ้แต่ละคนไม่เหมือนกันศีลอย่างของเราชาวพุทธก็ศีลห้าข้อ ถ้าข้อนี้ก็มีมาก่อนพุทธเจ้าพุทธเจ้าเห็นว่ามีประโยชน์ท่านก็รับเอามาไม่ได้ปฏิเสธสิ่งที่ดีๆที่คนอื่นคิดไว้เรื่องสมาธิมีสองส่วนสมาธิเพื่อความสงบเนี่ยเป็นสาธารณะมันมีทิวทั่วไปใครๆก็มีาศาสนาไหนก็มีสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเห็นสภาวะ เกิดดับได้เป็นสมาธิเฉพาะในพระพุทธศาสนาถ้าใครมาได้สมาธิอย่างนี้นะแล้วก็ดูรูปนามไปเ ก, กลายเป็นพุทธไปหมดถ้าไม่ได้ฟังพระพุทธเจ้าเทศนะ์ดูของตัวเองแล้วคลำทางมาถูงทีเป็นพระปัจเจกาพพุทธเจ้าไปสมาธิมีสองส่วนศีลเนี่ยเป็นของสาธารณะมีทั่วๆไป สมาธิส่วนแรกที่ทําไปเพื่อความสงบเนี่ยเป็นของทั่วไปสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเอาไว้เดินปัญญามีเฉพาะในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ปฏิเสธสมาธิชนิดแรกเพราะเห็นว่ามีประโยชน์เอาไว้พักผ่อนทํางานหนักไม่ได้พักเลยมก็ไม่ไหวไปลำบาก เล้วเจริญปัญญาไปพอเหนื่อยก็มาทําความสงบนะมีแรงแล้วไปเดินปัญญาต่อไปสะดวกอย่างนี้สบายสมาธิชนิดแรกไม่ยากอะไรอยากทําความสงบเราก็ดูว่าจิตมันชอบอารมณ์อะไรอารมณ์ที่เป็นกุศลนะไปยิงนกตกปลาแล้วมีความสุขเนี้ย ถ้าไม่มีสมาธิที่ดีถ้าเป็นสมาธิที่ดีจิตต้องไปเลือกอารมณ์นะต้องไปเลือกอารมณ์ที่มีความสุขและเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วให้เกิดกิเลสคนไหนถนัดพุดโทโธก็พุโทโธคนไหนถนัดหายใจก็หายใจนะคนไหนถนัดรู้อิริยาบถก็รู้ไปกรรมฐานในสมถกรรมฐานนะใช้อารมณ์อะไรก็ได้ คำว่าอารมณ์หมายถึงสิ่งที่จิตไปรู้เข้าอารมณ์มีหลายอย่างมีสามกลุ่มใหญ่ๆนะเรื่องอารมณ์บัญญัติอารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่เราคิดอันนี้ใช้ทําสมถะได้กันที่สองเรื่ออารมณ์รูปนามรูปธรรมนามธรรมาอันนี้ใช้ทําสมถะก็ได้ใช้ทําวิปัสสนาก็ได้อารมณ์อย่างที่สมเป็นนิพพานกันอารมณ์มีสามกลุ่มนะ 3กลุ่มมีอารมณ์บัญญตัติอารมณ์รูปนามอารมณ์นิพพานอารมณ์นิพพานเนี่ยเอาไปทํำวิปัสสนาไม่ได้ได้แต่สมถะอารมณ์ที่ใช้ทํำวิปัสสนาคือรูปนามรูปธรรมนามธรรมเนี่ยเวลาเราจะต้องการความสงบเนี่ยใช้อารมณ์อะไรก็ได้อย่างเราคิดพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกรูเป็นอสุภะใช้คิดเอา ขีนาวเรียกว่าอารมณ์บัญญัติคิดถึงทานคิดถึงศีลคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมคิดถึงพระสงฆ์คิดถึงความตายคิดถึงร่างกายเป็นส่วนๆผมขนเล็บฟันหนังอะไรอยงี้คิดถึงปฏิกูนาสุภะ น, นี้เป็นสมถะทั้งหมดอารมณ์บัญญัติได้แค่สมถะ จะทำให้ฟุ้งซ่านก็ได้คิดบางเรื่องก็ฟุ้งซ่านคิดในเรื่องที่ดีๆจิตก็สงบอย่างเราคิดอางค่ามา ร, ร้ายอะไคนอื่ น, นจิตก็ฟุ้งซ่านเราคิดเมตตาคนอื่ น, นจิตสงบนี่อารมณ์ที่เจือการคิดนะเป็นอารมณ์บัญญัติใช้ทำสมถะอย่างเดียวอารมณ์รูปนามรูปธรรมนามธรรม ที่มารวมกันเป็นตัวเรานี่แหละอย่างเราเห็นร ai ai ่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าเป็นสมถะเห็นว่าร่างกายที่หายใจออกนี่ถูกความทุบบีบคั้นอยู่เห็นร่างกายหายใจเข้าถูกความทุบบีบคั้นอยู่อันนี้เป็นวิปัสสนาเห็นร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่เราไม่ใช่เราหายใจไม่ใช่ตัวเรา เป็นความรู้สึกของจิตร่างกายนี้ไม่ใช่เราไ้ที่หายใจอยูย่หรือยืนเดินนั่งนอนอยู่นี่ยนี่เรียกเห็นอนัตตาเป็นวิปัสสนาถ้าเห็นกายเห็นใจเฉยเฉยเห็นรูปนามเฉยเฉยเป็นสมถะถ้าเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามเป็นวิปัสสนาแยกกันตรงนี้นะงั้นอย่างบางคนบอกไปเข้าคอร์สวิปัสสนาดูท้องพองยุบไปดูอะไรดูท้อง ดูท้องเป็นสมถะเพราะอะไรไปดูท้องนะยิ่งบริกรรมด้วยนะพองน้อยยุบหน้อยอันนี้บัญญัติแต่ถนะ้าหเห็นร่างกายที่พองร่างกายที่ยุบไม่ใช่ตัวเราเป็นความรู้สึกในใจไม่ใช่เรานะหมายรู้มีความหมายรู้มีสัญญานะสัญญาตัวนี้ไม่ใช่คีนานะมันเป็นการหมายรู้ของจิต ว่าตัวที่หายใจอยู่ไม่ใช่เราหรอกซนะึงจะเป็นวิปั ส, สนาตรงที่หมายรู้ถูกนี่นะนะเรียกว่าสัญญานะเป็นสัญญาที่ดีคนส่วนให ญ, ญ่หมายรู้ผิดเรียกสัญญาวิปลาสหมายรู้ของไม่เที่ยงว่าเที่ยงหมายรู้ของเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขหมายรู้ของไม่ใช่ตัวเราว่าเป็นตัวเรานคนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายหมายรู้ผิดอย่างนี้ก็เกิดการคิดผิด เรียกจิตตวิปลาสทิดผิดแล้วก็เกิดความเห็นผิดเรียกทิฏฐิวิปลาสทํางานต่อกันเป็นสายเลยทำวิปัสสนาเนี่ยมีสัญญาที่ถูกนะมีสัญญาที่ถูกต้องคือมองรูปธรรมนามธรรมานะแล้วหมายรู้มันไม่ใช่ไปหมายแค่ตัวรูปตัวนามไม่ใช่แค่รู้ตัวรูปตัวนามรู้ตัวรูปตัวนามเนี่ยสติเป็นตัวรู้ทัน แต่มันมีสัญญาเข้าไปหมายรู้ว่ารูปนี้มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานามนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอาศัยสัญญานี้แหละก็เกิดวิปัสสนาขึ้นมานะงั้นวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยถ้าไม่มีสัญญาจะทําไม่ได้ไม่มีการหมายรู้นะจะรู้เฉยๆแต่ไม่ได้ไม่ได้มองในมุมของไตรลักษณ์วิปัสสนาต้องเห็นไตรลักษณ์นะ ใส่สัญญาไปหมายรู้พระสษารีบุตรท่านบอกว่ากระทั่งในสมาธิในทำสมาธินะสมาธิบางอย่างมีสัญญาอยู่นะถ้าสมาธิที่มีสัญญาอยู่นะใช้ทรมิปัสนาได้ท่านมาอย่างนี้นะถ้าสมาธิเลือกลงไปไม่มีสัญญาอย่างไอพรมลูกฟัก น, ะนี่สัญญาสัตตาพรมลูกฟักจิต ด, ดับไม่มีสัญญาอันนี้ทำมิปัสนาไม่ได้ ในเนวสัญญาณาสัญญาญตนะในฌานที่8นะมีสัญญาอยู่นิดๆเนี่ยอันนี้ก็ยังทํำวิปัสสนาได้สําหรับพระอริยะบุคคลที่ชํานาญในการดูจิตอย่างพวกเราไม่ใช่พระอริยบุคคลหรือไม่ชํานาญในการดูจิตถึงเข้าฌานที่8ได้นะก็ไม่ไม่สามารถทํำวิปัสสนาได้สัญญานั้นอ่อนมากเลยจิตต้องช่ำชองในการ มีไตรลักษณ์มองไตรลักษณ์ไม่ช่ำชองมากระดับภาริยาบุคคลไปแล้วงัการทาวิปัสสนาเนี่ยต้องมองในมุมของความเป็นไตรลักษณ์ไม่ใช่คิดด้วยนะถ้าคิดไม่ใช่วิปัสสนานะงั้นเราดูท้องผ่องยุบนะต้องตอบนะว่าสมถะเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าสมถะหายใจออกหายใจเข้าสมถนะ ถ้าเห็นตัวที่หายใจอยู่ตัวที่ยืนเดินนั่งนอนอยู่ตัวที่เคลื่อนไหวหยุดนิ่งอยูนะ่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นวิปัสสนาส่วนนิพพานนั้นเป็นอารมณ์นิพพานนั้นเราทำสมถาได้อย่างเดียวแต่พวกเราทำไม่ได้เพราะเราไม่เห็นนิพพานต้อพระอริยบุคคลนะโสดาบันขึ้นไป ถึงจะทำสมาธิที่ใช้นิพพานเป็นอารมณ์ได้แต่อย่างโสดาสกตาคาอนาคาเนี่ยไม่ชำนาญในพระนิพพานไม่ชำนาญเพราะงั้นเวลาเริ่มทำสมาธิเนี่ยจิตจะไปจับที่รูปที่นามก่อนเช่นไปจับลมหายใจก่อนหรือไปจับเอาตัวรู้เข้าก่อนเสร็จแล้วก็เดินวิปัสสนาไปหน่อยหนึ่งนะดูว่ารูปนามนี้แสดงใจลักอยู่ แล้วจิตมันวางมันวางรูปธรรมวางนามธรรมแล้วก็ไปสัมผัสพระนิพพานแต่พระลหันนั้นน่ะไม่ต้องไปผ่านรูปนามแล้วเพราะจิตไม่จับรูปนามแล้วท่านแค่มานาสิการแค่นึกถึงแค่ระลึกถึงพระนิพพานจิตก็สรงพระนิพพานแ ล, แล้วความต่างมันมีพวกเราอยากลองดูไหม ลองทำสมาธินะต่อไปนี้ทำสมาธิอย่างหนึ่งขึ้นมาเอาให้เหมือนกันก็ได้ได้ว่าพร้อมๆกันให้รู้รู้ลมหายใจให้รู้ลมหายใจนะไม่ใช่รู้กายที่หายใจนะหรือรู้กายที่หายใจก็ได้เอาลองดูเห็นไหมว่าจิตมันเข้าไปจับที่ลมหายใจหรือไปจับที่ร่างกายเห็นไหมเนี่ยมันใช้รูปเป็นอารมณ์ละ ลองเห็นความรู้สึกไหมขณะนี้ความรู้สึกเราเป็นยังไงลองจับที่ความรู้สึกนะว่างๆนะว่างๆสบายๆเนี่ยจับนามเป็นอารมณ์นะเดี๋ยวก็จับรูปเดี๋ยวก็จับนามนะไม่จับได้ไหมลองดูสิไม่ให้จับรูปไม่ให้จับนามเห็นไหมทำไม่ได้ บุตรชนทำไม่ได้นะเพราะว่าอะไรมันไม่กล้าปล่อย่วงโปรหรือไว้หลางก็ไม่รู้เคยพูดไปนะบอกว่าถ้ามือซ้ายไม่จับรูปนะมือขวาต้องจับหนามไม่กล้าปล่อยหรอกกลัวจะหล่นลงไปในความไม่มีอะไรเลยหวงแหนในตัวตนมากเพราะงั้นพวกเราไม่ต้องคิดทำสมถะที่ใช้นิพพานเวณนารมณ์นะเพะทำไม่ได้ ถ้าไม่จับรูปก็จับนามไม่ก็คิดเอาเลยคิดเอาเป็นบรรดัดเป็นพวกเราสมถะเนี่ยเราทําได้2 ส, ส่วนเท่านั้นเพ่งรูปเพ่งนามคิดพิจรารณาเอาพิจารณากายพิจารณาใจพิจรณาธรรมะอะไรต่ออะไรใ น, นส่วนของสมถะนะในส่วนของวิปัสสนาก็เห็นไตรลักษณ์ของรูปนามมีสัญญาหมายรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนาม มันเป็นงานที่ประณีตนะละเอียดอ่อนค่อยๆเรียนเรียนวันเดียวไม่รู้ทั่วถึงหรอกมีซีดีให้ฟังเยอะแยะไปเปิดเอานะค่อยๆสังเกตเอาค่อยๆดูค่อยๆรู้นะค่อยเรียนค่อยรู้ไปทุกขั้นทุกตอนจะเลิกเรียนไม่ต้องเรียนแลเรียนอาเซฆบุคคลพระหันนอกนั้นยังต้องเรียนอยู่ เรียนด้วยการฟังหลวงพ่อนี่เรียกว่าเรียนปริยัตเรียนด้วยการไปลงมือทาสมถาวิปัสนาเนี่ยเรียกเรียนปฏิบัติจนมันแจ้งรู้แจ้งเห็นจริงจบการศึกษาจบตรงไหนตรงที่จิตปล่อยวางรูปนามได้ลนะไม่ทุกข์ละแต่หันใหม่ๆมันปล่อยๆจับจับนะพวกเราเคยเห็นจิตปล่อยอารมณ์ไหม จิตไหลเข้าไปจับอารมณ์แล้วก็ปล่อยแล้วก็ไหลเข้าไปจับเนี่ยที่พวกเราส่วนใหญ่ทำได้ตอนนี้ได้แค่นี้เองนะเคยเห็นจิตวางร่างกายไหมไอ้ น, นี้ยังดูง่ายเคยเห็นจิตปล่อยวางจิตไหมในะใครเคยเห็นยกมือซิจเหลือน้อยล้วยกสูงๆเลยไม่ต้องขี้ขาดกล้าๆหน่อย <laughs> เลยหมดความมั่นใจไปแล้วเรียนกนมาถามน้องกล้าๆหน่อยนะ เราคิดว่าใช่เราหลับยกเลยใช่เดี๋ยวหลวงพ่อก็บอกเองว่าไม่ใช่หรอก <c oughs> <c oughs> แต่พวกเราบางคนก็ทำได้แล้วนะมันวางปล่อยวางจิตนะแล้วมันก็ไปหยิบมาอีกมันไม่ปล่อยจริงหรอกนะนี่มันอัศ จ, จรรย์นะตรงที่มันวางจิตไปได้ถ้ามันวางจริงๆนะวางรูปนามไปหมดมนะันจะสัมผัสพระนิพพาน แล้จิตเนี่ยมันจะเคลื่อนมันจะหนีไปเรื่อยนะมันไม่ทรงอยู่มันไม่หยุดทํางานไปเรื่อยๆปรุงแต่งไปเรื่อยๆดิ้นรนสแสวงหาไปเรื่อยสร้างพบสร้างชาติไปเรื่อยๆค่อยเรียนนะสนุกสนุกสนุกมากกรรมฐานเนี่ยพอลงมือปฏิบัตินะของที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นนะไม่เคยรู้ก็ได้รู้ไม่เคยเข้าใจก็เข้าใจ ไม่เคยวางก็วางได้อย่างเนี้ยวางอารมณ์ได้ก็แปลกแล้วนะสําหรับคนทั่วๆไปมันวางได้วางร่างกายได้ก็แปลกอีกวางจิตได้ยิ่งแปลกใหญ่แต่วางได้เดี๋ยวเดียววางปุ๊บคว้าปั๊ บ, บ, บ <c oughs> ไม่ได้แร้ว <c oughs> เดี๋ยวไม่ได้เอาคืนมาก่อนนะอันนี้เป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อมานะหลวงปู่สุวัตเนี่ยสอนมา จะจำท่านมาเล่าต่อนะเล่าต่อไปส่งกันบ้านนะให้พวกอยู่วัดก่อนนักสการ์ครับหลวงพ่ออืก็เมื่อกี้ที่หลวงพ่อบอกว่าไม่ไม่ต้องจับรูปไม่ต้องจับนามมันเกิดอาการงงว่าเราจะทําอะไรดีใช่มันก็งงอยู่พักหนึ่งเลยทำอะไรไม่ถูกทําไม่ไ ด, ไมได้มันเกินปู่มเลยครับ เนี่ยเราที่หลวงพ่อสอนตรงนี้เพื่ออะไรไม่ได้สอนเพื่อให้เห็นมากเกินภูมนะแต่สอนเพื่อให้เห็นว่าจิตเข้าไปจับรูปก็ให้รู้จิตเข้าไปจับนามก็ให้รู้ยังไงก็จับหนีไม่ได้หรอกยกเว้นแต่ไปอยู่กัอารมณ์บัญญัตินะงั้นเรารู้อย่างที่เราเป็นไม่ได้ฝืนไม่ได้ห้ามหรอกนี่ที่ผ่านมาเนี่ยเวลาลงมือปฏิบัตินะถ้าไม่หลงกับบัญญัติก็จับรูปจับนามจับอยู่โดยไม่รู้ว่าจับอยู่ แต่ไปจับอยู่ก็รู้ว่าจับอยู่ไม่ว่าหรอกนะมันไปไม่ได้มันไม่รู้ทางเพราะมันไม่เคยเห็นพระนิพพานถ้าเป็นพระอริยบุคคลนะเห็นจับรูปจับนามปุ๊บมันวางนะวางไปอยู่กับพระนิพพานจิตทรงอยู่กับนิพพานตัวนี้เป็นสมถะเป็นเรียกว่าภารสมบัติหรือผลสมบัติจิตจะอยู่ในสภาวะเดียวกับตอนที่เกิดอริยผล มีความสุขไม่จับอะไรเลยอิสระนะตอนนี้ต้องจับไปก่อนไปเรียนรู้ไปครับแล้วก็ช่วงตั้งแต่เข้าพรรษาที่ผ่านมาเนี่ยผมไปลองทําสมถะครับทีนี้พอลองไปแล้วเนี่ยก็ถ้าเทียบกับที่หลวงพ่อเทศเมื่อเช้าเนี่ยมันก็คงฝืนจริตเพราะว่าผมค่อนข้างคิดมากครับคิดคิดทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วทีนี้พอไปทําเนี่ย ปรากว่ามันก็ทําได้แต่ช่วงที่ลองอยู่ประมาณสองสามอาทิตย์เนี่ยมันก็สงบนิ่งดีพอสมควรนะครับแต่พอมาถึงจุดหนึ่งอะ่ะมันกลับรู้สึกว่าสงบแล้วมันไม่รู้จะดูอะไรอืมันเหมือนแต่ว่าไม่ไม่แน่ใจว่ามันมีสองสภาวะคืออีกสภาวะหนึ่งเนี่ยเหมือนมันไหลแบบเนียนๆหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะครับแต่คือรู้สึกว่ามันมันไม่แน่ใจก็เลยถอยกลับมาว่าโอเคไม่ไปนั่งสงบอย่างนั้นแล้วก็คือมาใช้ ใช้ยกมือหลงพระเทียนเอาอย่างเงี้ยครับสงบเพอได้นะเราไม่ทิ้งหรอกนะถ้าทําได้ควรจะทําให้ได้ทุกอย่างสมถาก็ต้องได้วิปัสสนาก็ต้องได้ทําความสงบเพมาไม่ได้เสียไหลอะไรสงบแล้วใจมันไหลแล้วรู้เอาก็ออยังดีนะอย่าไปกลัวสมถานะคือมันเหมือนกับว่ามันไม่รู้จะทําอะไรต่อครับตอนที่มันให้รู้ว่ากําลังสงสัยไงกําลังงงเฮ้ยเอาอะไรดีวะรู้ว่ากําลังงง มันมาคิดหลังจากที่จบแล้วครับคือตอนนั้น ม, มันก็นิ่งไปเรื่อยแต่ตอนจบแล้วเนี่ยกลับมาทบทวนดูว่าทําอย่างนี้แล้วมันจะ <c oughs> ไปทําอีกทําได้นะไม่ใช่ไม่ได้ดังนะนะสมถะเราก็ไม่ทิ้งนะครับมีปรัชนาเราก็ทําจิตมันเคยชินที่จะเดินปัญญามันจะไม่ยอมทําความสงบพอทําความสงบนิดเดียวมันจะเดินปัญญาแล้วมีวุ่นวายแล้วคิดว่าทําไงจะเดินปัญญาต่อนะ เราก็ทําความสงบเข้ามาพอสมควรแล้วก็ถอยออกมาเดินปัญญาแต่ชํานี้ชานานนะทําสมาธิแล้วฝึกให้ชํานาญแล้วคํำถามสุดท้ายคือตอนนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าที่หลวงพ่อบอกว่าคิดไตรักกับเห็นไตรลักเนี่ยมันต่างกันยังไงครับเออคิดเอามันก็นั่งคิดเอานะเนี่ยเห็นพัฒน์เห็นพัดนกคิดเรื่องพัฒนก็คละอันแต่ก็แบบเดียวกันน่ะ นั่งคิดไรลักร่างกายนี้ไม่เที่ยงหนอเมื่อก่อนนี้หน้าตาอย่างนี้เดี๋ยวนี้หน้าตาอย่างนี้เนี่ยคิดไรรักนะได้อะไรได้สมรถะนะไม่เป็นวิปัสสนาหรอกคิดแล้วใจสบายเลยคิดถึงสุญญาตาโลกนี้ว่างเปล่าไม่มีอะไรคิดไปเรื่อยใจก็จะโลง่งว่างเนี่ยใจจะเข้ามาอยุดไหมโลกนี้ว่างดูออกไหมโลกนี้ว่างเปล่า สว่างสวายไม่มีอะไร<ม>นชกคิเอานะได้สมถะไม่เอกไม่เอารู้สึกเอามีปััสนานใช้รู้สึกเอา<ม>ลงปัจจุบันไปแล้วความเข้าใจมันเกิดเองแล้วขอกันบ้านช่วงอยู่วัดกับพรรษา น, นี้ด้วยครับหลวงพอ่อทำอย่างนี้แหละทำถูกแล้ว ทำไปแล้วจะเสื่อมนะไม่ต้องตกใจหรอกการภาวน า, ามีจะเจริญแล้วเสื่อมจเจริญแล้ว เ, เสื่อมแล้วทุกวันแผ่ส่วนบุญแผ่เมตตาไปเรื่อยๆเวลาที่เราภาวนาไปดีๆพบชาติสั้นลงอะไรเนี่ยอุย้ยพวกมารมันจะกวนมันจะคอยแกล้งคอยกวางให้เราแผ่เมตตาไว้มารพวกนี้แพ้แผ่เมตตาขออนุญาตพระหลวงพ่อ อ, อครั้งหนึ่งหนูเคยส่งกันบ้านครั้งแรกที่บริษัทอะคะ่ะหลวงพ่อใหออ้บอกว่าโยมแบบออจิตไม่ถึงฐานโ ย, ย, ยมก็ไปนั่งดูตัวเองอะคะ่ะก็เลยพบว่ามันเข้าไปแนบกับบางครั้งก็ไปแนบกับกาย เ, ออเพราะว่ามันก็จะหลงไปกับเวทนาออละะแล้วก็บางครั้งก็ไปแนบกับจิตเห อ, อเห็นไหมมันต้องจับอะไรอุตรุดไปเรื่อย ทีนี้ก็เลยดึงตัวเองออกมาอ ม, มองเขาห่างๆทีนี้มันก็เลยไม่ไม่เข้าไปรู้สึกกับการสัมผัสลึกลงไปเหมือนเมื่ออดีตก็ก็ถอยออกมามองอมทีนี้รู้สึกมาทั้งตัวนี่แหละค่ะเห็นไหมตัวเนี้นี่ น, นี่อยู่นี่ยไม่ใช่เราเลยจะรู้สึกทันทีเลยแต่เขาก็ไวนะคะบางทีแบบเผย อ, อีกทีนี่มันไรวมกันแล้วคธรรมดาจิตไม่เคยชิน มันรวมกันมาแต่ไหนแต่ไรมันชินอย่างเมื่อวานเจอเพื่อนร่วมห้องค่ะตกใจแล้วมันไปเห็นทีหลังแบบมันมันมันกลัวค่ะเลยไปเห็นทีหลังตอนตอนมันดับคือคือมาอาศัยเขาอยู่ค่ะจูเกะเขาตัวงามงามสวยนะสวยค่ะสวยจุเกะนี่เป็นสัตว์ที่สวยมากเลยพวกผู้หญิงเรายังอยากเอาอย่างเลยนะใช่ค่ะเขาตัวเขาใสเติมสีนะเติมจุดเติมแต้ม เขาเป็นสีชมพูจุดสีเหลืองโอตัวนี้สวยตัวนี้สวยค่ะบางตัวเนี่ยตัวเป็นสีฟ้าเลยน ะ, ะจุดสีฟ้าสวยมากเลยหนูก็อยู่เงียบๆกลัวเขาจะดุเอาเออเขาไม่ดุเราเขาจะทักทายค่ะหลวงพ่อมีอะไระให้หนูทําต่อไหยคะกันบ้านรู้สึกแม่ตุ๊กแกหน้าสงสารสัตว์น่ารักน่าสงสารนะคะสัตว์ลําบาก ถ้าใจเรามีอย่างนี้ยเราจะไม่กลัวตัวเลยเราจะเกิดความเมตตาขึ้นมาใจเราก็มีความสุขมีสมาธินะแล้วก็ดูธาตุดูขันทํางานได้่อยไป <คะ S 1> จเจริญปัญญาไปดูกายให้เยอะไว้ ค, <ะ S 1> คือเมื่อวานเนี่ยผมว่าผมฟุ้งมากครับกว่าจะหลุดเพราะมันทั้งแน่นทั้งหนักครับเราช่วงบ่ายๆเดินเดินช่อนช้างเยอะก็ก็เหมือนโล่งขึ้นแต่ว่า ทำสมาธิพิถ่ยเลยครับมันเหมือนจะฟงฟงจนหมดแรงตอนยังคืนนะถึงนั่งสมาธิแล้วแบบสงบนะครับไม่ได้ตั้งมั่นเลยถึงจะรวมได้ทีเลยสงบเพราะสงบไม่เห็นเป็นอะไรเลยถึงเวลาที่ไม่มีแรงก็สงบเอามีแรงขึ้นมาก็ตั้งมั่นตั้งมั่นแล้วไม่ตั้งเฉยแยกธาตุแยกขันครับก็มีแนวรูปแนวรับนะโช่วงไหนทําอะไรได้เอาอตรงนั้นแหละคือที่หลวงพ่อทักเรื่องที่ว่าเห็นจิตมันมันวาง ผมเห็นแว บ, บเดียวมันก็เหมือนกับตกใจตกใจนั่นแหละมันจะตกใจเลยหรือต่อไปเห็นเรื่อยๆไม่ตกใจนะแต่มันก็หยิบในใจมันจะรู้สึกว่าเออเรายังขาดอะไรอยู่ยังมีสิ่งที่เราไม่รู้อยู่อีกไม่ต้องไปหยิบมาอีกคือมันยังมีตั ว, ต, วตัวเรายังรักตัวเราอยู่ไปทํำอีกไปกราบนมัสการค่ะพระอาจา ร, รย์ท่งกันบ้านหนึ่งปีที่ผ่านมาเจ้าค่ะหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ย ประคองน้อยลงกดลดลงนะเจ้าค่ะพอกดลดลงปุบเนี่ยมันจะมีสภาวะของเราเนี่ยขึ้นมาแล้วเราจะไม่ชอบมันเออเกลียดมันอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งปีนี้ก็ดูไอ้ตัวที่ไม่ชอบนี่ผ่านมาด้วยเราพื้นเราขี้โมโหไงใช่ค่ะตอนนี้เราไม่รู้จะโมโหอะไรเรามโหไอ้ตัวนี้แหละใช่ค่ะเนื้อต้นตอมันอยู่ที่นี่ค่อยๆรู้น้ําันค่อยถอนออกเจ้าค่ะก็รู้สึกว่าความไม่พอใจมัน ภาวะเหล่าเนี้ยมันเบาขึ้นแต่มันยังมีอีกเจ้าค่ะเธอดูไปไเรื่อยมันจะค่อยถอนของมันออกเจ้าค่ะแล้วก็พบว่าตัวเราเนี่ยมันไม่ได้ดีเราคิดว่าเราเป็นนักภาวนาแล้วเนี่ยเราไม่ได้ดีจริงอ่ะเรายังแยก่กว่าคนที่ไม่ได้ภาวนาอีกหลายคนเจ้าค่ะก็ตั้งใจว่าจะดูตัวเองเพื่อที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไปเจ้าค่ะอืแล้วก็เราไม่ได้เอาดีหรอกนะ เจ้าค่ะเราให้เห็นความจริงเจ้าค่ะแล้วก็อย่างวันนี้เนี่ยกว่าไม่จะมาถึงเนี่ยก็เริ่มสัน่นเริ่มประคอง<ม>เริ่มแบบทำอะไรหลายๆอย่าง<ม>แต่พอเราดูมันดี <c oughs> ๆเนี่ยมันก็จะดีขึ้นนะเจ้าค่ะใช่ดีแลค่ะก็สุดท้ายขอโอกาส 1ปีมีหนึ่งครั้งขอการกราบขอขมาพระอา จ, จารย์นะคะในสิ่งไม่ดีต่างๆที่ปฏิบัติมาต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระอาจารย์ปราโมทปราโมชโชเพื่อการสำรวมระวังต่อไปอเพื่อการภาวนาให้ก้าวหน้าขึ้นต่อไปสาธุเจริญในธรรมนะให้ทีเดียวทุกคนเลยนะไม่ต้องขอทีละคนหรอกคนะนำ้ำมัสกาคือรู้สึก มันเป็นธรรมชาติขึ้นกว่าเดิมค่ะแต่ว่าก็ยังแบบยังยังยังบั ง, ง, บงคับหลังจากที่เห็นสภาวะค่ะ <c oughs> แล้วก็ยังยังเผอนานอยู่ค่ะไม่ทราบว่าต้องเพิ่มอะไรหรือเปล่าคะเรามีจุดอ่อนสองตัวนะมัน <c oughs> ฟุ้งเก่งตัวหนึ่งกับมันขี้โมโห อ, อีกตัวนะมีสองอันเนี้ยงั้นเวลาภาวนาใจมันจะจไม่ค่อยรวมง่ายหรอกมันจะฟุง้งฟุงฟุงให้รู้ว่ามันฟุง้งฟุ้งแล้วก็ลำคาญมันให้รูวร้ว่าลำคาญ ในสุดจะเห็นใจมันฟุ้งด้วยใจที่เป็นกลางถ้าเห็นตัวนี้ได้นะต้องใช้ความกล้าหาญมากเลย mm hmm. เป็นกลางต่อความฟุ้งซ่านได้ต่อไปก็จะเป็นกลางกับตัวอื่นได้ด้วยเราจะรู้สภาวะทั้งหลายด้วยจิตที่เป็นกลางพระเจ้าไม่ได้สอนกรรมฐานว่าต้องดีพิเศษมาก่อนนะเริ่มต้นก็สอนมาจากกิเลสนี่เองจีนมีราคารั่วมีราคาใช่ mm hmm. ไห ไม่มีราคารู้ว่าไม่มีซอ้อนมาจากกิเลสเองงั้นเรามีกิเลสก็ดีแล้วเอาไว้ดูต้องทําแบบสมาธิในส่วนที่ต้องสงบอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าคะมันไม่สงบง่ายใช้วิธีนี้นะตั้งใจรักษาศีลห้าให้ดีพยายามรักษาศีลห้าพอนานนานไปเนี่ยพอเรานึกถึงสี่ห้านะจิตจะสงบเองเลยไม่ต้องแบบ ไปนั่งหายใจเข้าชานไม่เข้าง่ายหรอกว่าโดยนิสัย ม, มันไม่หยุดใจมันฟุง้งเก่ง ไ, ไม่ได้ถวายกันบ้านหลวงพ่อมานานแล้วเออมื่อ ว, ว, วานเดินจงกรมมาค่ะพอดมีมันจิตมันไปเลือกๆถึงว่าช่วงที่ช่วงบนทางเดินจงกรมมันเห็นความรู้สึกที่แตกต่างกันแค่อยู่บนช่วง ทางเดินจงกรมความรู้สึกก็แตกต่างกันใช่มันเปลี่ยนตลอดอะค่ะพอมันรู้สึกและลึกถึงตรงนี้ได้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยความสุขมันล้นขึ้นมาทันทีค่ะหลวงพ่อแต่เสียท่าตรงที่ว่ามันถูกครอบงํำไปถูกความสุขครอบงำไปเราเรารู้แล้วไม่เป็นไรแล้วติดหรือไม่ติดอยู่ที่รู้หรือไม่รู้นะมีความสุขแล้วไม่รู้ไปชอบมันแล้วไม่รู้เนี่ยติดมีความสุขแล้วมันเห็นมันครอบงําเนี่ยอย่างนี้ไม่ติดหรอก ไม่เป็นไรแล้วอย่าไปอยากให้มันเกิดนะไม่เกิดหรอก ค, คือคือเห็นเจ้าค่ะว่าพอพอวันนี้เดินจมกรมอีกเห็นเจ้าค่ะว่ามันพยายามจะทำให้มันเกิดอีกอะค่ะนั่นแหละมันโลบไม่ไม่เกิดละดไปะทำธรรมดานี่แหละแล้วมันเกิดเจ้าค่ะรัะะส ก, การค่ะหลวงพ่ออืมหลายเดือนที่ผ่านมา มันโดนลงไปหมดเลยค่ะอืมทุกุกตัวโสะโมหะโดนทุกตัวใช่มันเป็นทีมนะค่ะมันแบบบางทีโง่หัวไม่ขึ้นนะคะบางทีเหมือนกับว่าคือเห็นเลยอย่างโลภะความอยากเนี่ยตอนนี้ตอนนี้บ้าปลูกบัวเนะคะมันรู้สึกว่ามันไม่อยากไม่อยากจะดูมันบ้าอะไรนะปลูกบัวค่ะบัวต้นบัวเหรอใช่ค่ะต้นดอกบัวเนี่ยคออค่ะแล้วมันเสียหายอะไรครับปลูกบัวมันก็เหมือนเรา มันเราหลงมันมากไปอ่ะโอแเราปลูกสิแล้วเราชอบมันเรารู้สิใช่ใช่คือหนูรู้สึกว่ามันมีความสุกดีอะเออนั่นแหละไปทํากรรมฐานปลูกบัวก็อีกอีกอย่างหนึ่งค่ะหลวงพ่อตอนคือคือตอนเนี้ยค่ะมันอาจจะไม่อยากทุกข์มาคะเวลาเห็นสภาวะรู้สึกว่ามันห่างมากขึ้นมันเหมือนพริกนะคะเวลาเจอสมมติว่าเจอเห็นความกลัวเนี้ยมันก็เหมือนพริกแล้วมันก็ก็เห็นความกลัวเป็นเนี้ยความกลัวอยู่ตรงเนี้ยค่ะ ให้เราดูตรงนี้ถ้าใจมันแน่นๆแข็งๆนะแปลว่าเราจงใจประคองไว้จงใจพลิกถ้ามันพลิกเองใจเบิกบานมันมันพลิกของมันเองแล้วมันก็พอเห็นความกลัวมันก็มันก็มีความสุขขึ้นมานิดนึงนั่นแหละอย่างนั้นถูกหรออ๋อแล้วแล้วมาเช้าค่ะหนูก็ไอแล้วมันก็มีเสมหะมันนิดนึงรู้สึกว่ามันมันยี้ตัวเนี้ยมันมันมันไม่ค่อยมีความเมตตาตัวเองเท่าไหร่เลยพวกเราส่วนใหญ่ขี้โมโหนะ เส็นธรรมชาติเลยเรามาจากที่เดียวกันค่ะแล้วก็ทําอย่างนี้ต่อต่อไปนะคะกลาบนรรสการหลวงพ่อค่ะก็ตื่นเต้นค่ะอืมปฏิบัติมาหลายทางค่ะแต่ว่ากล่าบหลวงพ่อเมื่อสองปีที่แล้วค่ะส่งกันบ้านครั้งแรกค่ะออืม่าที่ผ่านมาค่ะเห็นกิเลสค่ะแล้วก็เห็นความทุกข์มันเป็นก้อนๆค่ะแล้วก็ เวลาเห็นกีริดก็จะมีความพอใจว่าตัวเองได้เห็นค่ะแล้วก็เห็นตัวกูเก่งค่ะแล้วก็ออแต่ก่อนคิดว่าตัวเองโทสะจริตกับราคาจะจริตค่ะแต่ว่าฟังหลวงพ่อเมื่อเช้าเพิ่งได้รู้ว่าจริงๆแล้วจะหนักไปทางฟุ้งซ่านกับหดหูวค่ะ อ, อทีนี้จะกราบถามหลวงพ่อว่าปกติถ้าเห็นว่าตัวเองมีโทสะเกิดหรือราคะเกิดนะคะมันก็จะดับแต่ พอเห็นว่าตัวเองมีฟุ้งซ่านกับหดหูมันไม่ดับนะคะหลวงพ่อแล้วอย่าไปอยากดับมันสิค่ะให้รู้ทันแล้วรู้ว่าใจไม่ชอบโทรศัพมันแทรกใจเลยไม่มีสติที่แท้จริงไม่ดับหรอกแล้วเราก็ไม่ได้ฝึกเพื่อจะดับมันนะเราฝึกให้เห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นของบังคับไม่ได้อย่างถ้าเราสั่งให้ดับได้ก็บังคับได้สิเขากำลังสอนธรรมะเรานะว่าบังคับไม่ได้ค่ะหลวงพ่อไม่ได้ไปฝึกให้ดับนะ ฝึกแล้วรู้ไปเนี่ยใจอยากดับแล้วใจไม่ชอบนะรู้ทันตัวนี้สุดท้ายใจเป็นกลางเป็นกลางมันดับของมันเองต่อไปนี้ก็ดูของเราไปกิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ทันอย่าให้กิเลสครอบงําก็แล้วกันเช่นความโหดหูข้ามานะเราไปยอมแพ้มันเราจมอยู่กับมันนานๆอย่างนี้ไม่ดีถ้ามันโหดหูขึ้นมาก็รู้ทันก็ไปตรงตรงเลยว่าใจกําลังโหดหูอยู่รู้กาเปตรงตรง นะถ้าฟุ้งซ่านก็ไม่ว่ามันนะรู้เข้าไปตรงๆเลยว่าใจกําลังฟุ้งซ่านอยู่ถ้ารู้เข้าไปตรงๆรู้ซื่อๆได้นะรู้อย่างเป็นกลางได้าขาดสะ บ, บั้นหมดเลยนะไม่ต้องไปกลัวมันนะไม่ว่ากิเลสตัวไหนมาก็รู้มันเข้าไปตรงๆนะนะั่นแหละแต่อย่าไปจ้องว่าเมื่อไหร่มันจะอยากไปดับมันอะไรเงี้ยพยายามดับมันไม่ต้องดับรู้อย่างที่มันเป็นทีนี้อีกเรื่องนึงค่ะเหมือน มีความติดอยากดีค่ะแล้วก็ทนไม่ได้ที่จะเห็นความไม่ดีของตัวเองในทุกๆเรื่องค่ะหลวงพ่อทนไม่ได้ก็ต้องทนนะเพราะว่ามันก็ยังไม่ดีอยู่มันห้ามมันไม่ได้นี่มันจะดีะหรือไม่ดีรเราเลือกไม่ได้ดอกนะค่อดทนไปดูไป ค, ค่ะความทนไม่ได้เป็นโทสะถูกไหมครหลวงพ่อใช่เป็นโทสะนะค่ะแล้วก็กราบขอถวายการปฏิบัติทั้งหมดค่ะเป็นเป็นอาจริย์บูชาค่ะเุแล้วก็เป็นพุทธบูชาค่ะเออนะ ขนะอขอบพระคุณค่ะนมัสการคะ่ะหลวงพ่อหนูเดินจงกรมอยู่คะ่ะแล้วก็คอยดูเวลาใจถลําไปอยู่ที่เท้านะคะเออดีแล้วก็ตรงหัวจงกรมกับท้ายจงกรมยังยังติดเพ่งเหมือนอยากรู้สึกตัวให้ชัดนะคะออหนูต้องแก้ไขตรงไหนอีกไหมคะให้รู้อย่างที่มันเป็นนะเนีย่ยเราไปเดินสุดทางแล้วเราก็หยุดรู้สึกตัวสบายๆต้องสบายๆนะไม่ใช่รู้สึกแบบเข้มข้น รู้สึกสบายๆก็หันกลับมาก็ายังไม่เดินรู้สึกตัวสบายๆแล้วค่อยเดินค่ะแล้วอ ย, อย่างเว ท, ทีคำว่าสบายค่ะแล้วเวลาเรายืนยืนกับเดินอยู่ตรงทางจงกลมแล้วเวลาเราเห็นกายยืนกับเห็นร่างกายเดินเนี่ยคะ่ะตรงนี้เป็นการแยกท่านแยกขันหรือเปล่าคะใช่ใจเราเป็นแค่คนดูนะร่างกายมันเดินร่างกายมันยืนอย่างนั้นแหละขันมันแยก หนูมีอะไรที่ต้องแก้ไขอีกไหมคะเยอะแยะเล ย, <laughs> คยค่อยๆเรียนนะฮะ <laughs> <laughs> เป็นทุกคนแหละขอบพระคุณค่ะนมัสการค่ะหลวงพ่ อ, อคือหนูติดซึมมาค่ะจะําเนาะอย่าติด น, นะซึมเป็นชื่อส้วมอย่างหนึ่ง <laughs> แล้วอย่างนี้คือควรจะทํำยังไงอ่ะคะ่ะปลุกใจให้อลิ e r t ไว้ตื่นตัวไว้หน่อยนะ <laughs> แล้วก็ถ้าจะคบคนก็อย่าคบพวกซึมด้วยกันนะ แล้วหลวงพ่อมีคําแนะนําอะไรเพิ่มเติมไหมคะเนี่ยกระดุกระดิกไหมพยายามเคลื่อนไหวไหมทางานไปกวาดบ้านเป็นไหมเป็นค่ะกวาดบ้านถูบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะทํางานไปเรื่อยๆถ้าเห็นร่างกายทํางานเนี้ยแก้ซึมดีขอบพระคุณคะ่ะกลับขอโอกาสเจ้าค่ะหัวใจเต้นแรงมากเจ้าค่ะ <c oughs> หายใจแร ง, แรง ลืมโลกไปเลยเนี่ยฟังไก่ขันเนี่ยไก่ร้องเพลงให้ฟังเห็นมมีการประสานเสียงอ้าวว่ามา <c oughs> <c oughs> เวลาที่นั่งสมาธิออดูลมหายใจเจ้าค่ะเราเปลี่ยนสีแทนที่ไปดูลมหายใจนะเป็นดูร่างกายหายใจดูลมหายใจจิตจะไปเพ่งเอานะ อย่าไปเพ่งลมจิมไหลมีอยู่ที่ลมจแลจมจะนิ่งๆทื่อๆไปเจ้ามันจะไม่เดินปัญญาต่ อ, อายามเห็นร่างกายหายใจเราเป็นแค่คนดูสบายๆแล้วมันจะรู้สึกว่าร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเรานะให้ฝึกแบบนี้นะดูกายไหมแต่สงสัยว่าเวลามันมันจะเข้าไปอยู่สภาวะ น, นิ่งๆนะเจ้าค่ะมันติดสมถะเจ้าค่ะหลวงพ่อเลยบอกอย่าไปจ้องลมหายใจ เห็นทั้งตัวเนี่ยมันกำลังหายใจรู้ไปด้วยใจที่สบายๆไม่ต้องกลัวว่าไม่สงบนะสงบเพื่อได้ฟุ้งซ่านอยู่ได้เห็นในตัวนี่หายใจอยู่ใจมันจะถอนออกจากไอที่ล็อกอยู่เจ้าค่ะขออนุญาตอีกข้อหนึ่งเจ้าค่ะเวลาในชีวิตประจำวัน หลงกับรู้ว่าเจ้าค่ะแต่หลงมากกว่ารู้แต่ว่าพอรู้ขึ้นมาเนี่ยเจ้าค่ะน้อยครั้งที่มันจะรู้อย่างสบายๆพอมันรู้แล้วมันจะเข้าไปจ้องน่ะค่ะเจ้าค่ะนิสัยนิสัยนะนิสัยมันจริงจังอย่างนั้นแหละแล้วก็ที่ฝึกมาเก่ามันฝึกเพ่งเพราะฉั้นเราเคยฝึกแต่ฝึกเพ่งมาแล้วไม่ได้ฝึกรู้สึกจิตที่ไหลไปตามความเคยชินเก่าค่อยๆรู้ทันแต่ว่ามันเข้าไปล็อกแล้วนะต่อไปมันก็คลายออก ถ้ามันล็อกปุ๊บใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบรู้ทันที่ใจนีนะเดี๋ยวมันจะค่อยๆคลายออกรู้สึกกายถ้ารู้สึกกายบ่อยๆนะรู้สึกกว้างๆอะนะรู้สึกทั้งตัวเห็นตัวเนี้ยมันหายใจเห็นตัวนี้มันยืนเดินนั่งนอนรู้สึกมันทั้งตัวนี่แหละอย่าไปจ้องอยู่ที่เดียวมันจะยิ่งล็อกเข้าไปข้างในขอบพระคุณเจ้าค่ะ นมัสการค่ะหลวงพ่อออาทิตย์ที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าหนูเเคร่งเครียดเกินไปจริงจังเกินไปหนูก็เลยลองไปทํำตัวให้มันหย่อนแย่ลงหนึงมันเลยฟุ้งไปเลยใช <laughs> <c oughs> ่ค่ะคราวนี้ก็เลยคิดว่าอคือที่ตอนแรกที่เคยไปปฏิบัติแบบเก่าๆนะคะหนูคิดว่าร่างกายทําตามที่เขาบอกค่ะแต่ว่าในใจหนูก็คิดถึงคําสอนของหลวงพ่อว่าอื ทำไปสบายๆแต่คราวนี้ตอนนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าทําด้วยความเบิกบานแล้วก็สนุกก็เลยคิดว่าเอ๊ะตอนที่ไปที่นั่นมันน่าจะพอได้หรือเปล่าแล้วก็แล้วเขาบังคับเราไหมล่ะควบคุมไหมไม่ค่ะก็คืออย่างสมมติว่าให้รู้ก็อย่างเช่นสมมติเขาให้ทําช้าๆเราก็ช้าไปด้วยแต่ข้างในเราก็เหมือนกับดูแบบแน่ไปนิดหน่อยแต่ว่ามันก็นต้องไปเล่นละครให้เขาดู ส, สนุกสนุกนิดนึงอะคะ่ะข้างในมันจะเบิกบานแต่ว่ามั น, มน<ะ>เบิกบานเพราะว่าเราชอบเล่นละครจริงเหรอคะใช่เรารู้สึกอย่างนั้นได้เล่นมีคนดูด้วยนะเราอําเขาได้ด้วยอถ้าอย่างนั้นก็คือผิดมันสนุกมนะัย <c oughs> มันก็สนุกดี <c oughs> เออสนุกนะแต่พอหลังจากนั้นพอมันมาเห็นเออมันมาเห็นเออที่หนูบอกว่าอยูุ่จะกลกายกับจิตมันแยกกัน <c oughs> แล้ว พอดีหนูอาจจะลืมสังเกตว่าเอ๊มันมีตัวเราหรือเปล่าที่ยืนมองเข<ร>าไม่ต้องสังเกตถ้าสังเกตมันจะหายไปเลยมันจะแข็งขึ้นมาอ๋อค่ะคือพอดีตอนนั้นที่บอกว่ากายกับจิตนั้นมันแยกกันแล้วบอกว่าให้มันหลับอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นคือมันดูธรรมชาติดูมันเฉยๆ อ, อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราฝึกของเราเองก็ได้นี่นะไม่ต้องไปรวมกลุ่มทำแล้วเราก็เดินอะไรของเราทําของเราเองไปจะดีกว่าน ะ, ะไปรวมกลุ่มเดี๋ยวเขามาแทรกแซงเราเราเสีย ที่นั่นคือเหมือนกับว่าเราไม่ต้องไปรวมกับใครเขาต่างคนต่างไม่ต้องส่งกันบ้านไม่ต้องสอบอารมณ์มีก็วันละครั้งอะไรประมาณนี้โอ้นั่นแหละน่ากลัวตรงนั้นแ่ะจริงเหรอเดี๋ยวก็าพาเราเตลิดเปิดเปลืองไปไหนลงองส่วนใหญ่ก็คือบังคับอ๋อค่ะมันจะมาติดเอาหลังจากที่คือตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองพัฒนานไม่รู้ว่าถูกผิด mm hmm. แต่ว่ารู้สึกว่าเอ๊ยเราเห็นตัวเราแยกนะเอ้ยอ ย, อยู่ๆเราก็เนี่ยไปเดินชอปปิ้งไป เราเห็นตัวเองแยกออกไปนะเห็นสตางแยกจากกระเป๋าอันนั้นมันจะเสียใจภายหลังแล้วหลังจากนั้นคือคือมันจะมาแยกคือหลังจากออกจากที่นั่นมาพักหนึ่งเพราะว่าตอนที่อยู่ข้างในเรารู้สึกว่าเราดีพอพอออกมาจะรู้สึกว่าอยากอยากจะเป็นแบบนั้นอีกจะให้รู้ว่าอยากนะค่ะไปกดตรงนั้นคราวนี้อย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเมื่อวันจันทร์ หลังจากที่พยายามคลายเพลงไปก็ตอนนี้ก็เลิกนั่งสมาธิหน้าพระพุทธรูปแบบที่นั่งตัวตรงอะไรอย่างเงี้ยก็ไปนั่งเออนบนเตียงแทนแล้วก็มันก็เห็นความคิดมันไหลหนืดๆผ่านไปก็คืออาจจะอาจจะมีประคองเอาไว้ประคองนิดๆนิดๆเอาไว้ดีกว่าแต่ดีไปไหลไปแล้วไม่รู้ประคองไว้เนี่ยตึงไปแต่เบื้องต้นนะตึงไม่หน่อยนึงดีกว่าย่อน ก็ที่ผ่านมามีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีครับโอ้สาธุพูดเป็นธรรมะก็เรื่องไม่ดีมันก็คือมีช่วงหนึ่งมันใจมันไปติดเรื่องเพื่อนมากครับแล้วมันเสียใจว่าทําไมทําดีแล้วไม่มีหมู่เพื่อนหมู่ฝูงจนสิ่งที่ฝึกขัดมาหายไปหมดแล้วก็เพิ่งมาตั้งหลักได้เมื่อไม่กี่เดือนมานี้ครับก็จะเห็นอารมณ์เห็นการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ชัดเจนตอนที่ไปเลี้ยงเล่นกับนกที่เลี้ยงไว้ครับแล้วพอเลิกเล่นเสร็จ ใจมันเหมือนมันเงียบไปเลยครับแล้วบางทีมันจะเหมือนเข้าใจว่าเหมือนจิตแยกออกมาดูกายที่มันทําอยู่ครับแต่เป็นดัณณนะเป็นแค่บางครั้งบางข่าวครับได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นนะไม่จงใจนะไม่จงใจอย่าแข็งไปครับไปเลี้ยงนกต่อไปครับคบกับนกก็ปลอดภัยนะคบกับเพื่อนมากเลยคบกับคนอื่นนะ ยิ่งเราชอบเขาเรายิ่งต้องเอาใจเขารเราเสียความเป็นตัวของตัวเองนะเรื่องไรเกิดมาน้องเป็นทาสคนอื่นเขานต้องปลดปล่อยตัวเองเป็นอิสระเทิ้งนกแล้วก็รู้ทันจิตไปดีกว่านะไปยุ่งกับคนมากไม่ดียิ่งคนที่ศีลไม่เสมอกันทิฏฐิไม่เสมอกันนะครบแล้วเสื่อมรับสละทิ้งไปชาตินึงไม่ต้องครบใครสบาย ครับแล้วมีข้อแนะนําอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับนี่เราเราพยายามอยู่ของเราเองนะครับอยู่ของเราด้วยตัวของเราเองมีความสุขอยู่ในตัวเองเนี่ยดีที่สุดเลยครั บ, รบได้ไม่ต้องไปอิงอาศัยคนอื่นเงันเราต้องงอเข้าไปเรื่อยๆครับกับ น, นมันสการหลวงพ่อคะอ่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะค่ะขณะขับรถแล้วก็ฟังซีดีหลวงพ่อไปไปด้วยอยู่ๆก็รู้สึกว่าจิตมันถอยออกมาแล้วก็ เ, ออเห็น เห็นตัวเองอะ่ะเห็นร่างกายขับร ถ, ถอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละดีแล้วล่ะนะแล้วความรู้สึกมันแยกไหมค่ะเห็นไหมสุขทุกข์ดีชั่วมันก็แยกออกไปได้ใจเราไปแค่คนดูสบายๆอยู่นี่แหล ะ, ะร่างกายทำงานก็เห็นจิตใจทำงานก็เห็นนะทำถูกแล้วล่ะค่ะ อ, อีกข้อหนึ่งนะคะบางครั้งเนี่ยมีเรื่องมากระทบแล้วก็เกิดโทสะดูทันบ้างไม่ดูดูไม่ทันบ้างออแต่บางครั้งดูทันเนี่ยแต่กม็มันก็ไม่ดับนะคะมันจะรู้สึกว่ามีตะกอนมีตัวตะกอนอยู่ในใจเรามีอมของเก่าอยู่แล้วไงแบบอาจจะไม่ชอบคนนี้เป็นพิเศษหรือไม่ชอบสิ่งนี้เป็นพิเศษนะมันยังทํางานไม่เลิกไม่ไม่ใช่ดูเพื่อให้หายนะหดูเพื่อให้เห็นแล้วบังคับมันไม่ได้อ มันสั่งให้ดับง็มไม่ดับใจเราไม่เป็นกลางะมันเลยไม่ดับขอการบ้านด้วยค่ะหลวงพ่อต่อไปนี้ค่อยรู้ทันนะไม่ว่าจิตจะไปรู้อะไรก็ตามนะจิตยินดีก็รู้ทันจิตยินร้ายก็รู้ทันรู้ไปเรืเร่อยเรู้สบายสบา ย, บายไม่แทรกแซงกราบมาบูชาค่ะหลวงพ่อ เวลารอบปฏิบัตินะคะมีทั้งเจริญและเสื่อมเราจะทํายังไงให้เจริญนานแล้วก็ไม่ไ ด, ไได้เราไม่ได้ฝืกเจริญเราฝึกจนใจยอมรับความจริงว่าสิ่งทั้งหลายนะเกิดแล้วก็ดับไปเจริญได้ก็เสื่อมได้เสื่อมได้ก็เจริญได้เป็นเรื่องปกติเพราะนใจเห็นว่าทุกสิ่งมันเป็นปกติที่ว่ามันมีแล้วมันก็าหายไปยนะั่นแได้ใจเห็นธรรมะแล้วพระโสดาบันเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับนะ ไม่ใช่สิ่งใดเจริญแล้วต้องยิ่งเจริญไปเรื่อยๆแล้วที่เคยเห็นว่าปล่อยวางจิตได้ชั่วคู่นั้นใช่ไหมคะใช่ไปหัดดูต่อไปอย่าไปอยากวางนะไม่วางหรอก <c oughs> วางปุ๊บก็หยิบปั๊บเลยค่ะขอการบ้านเพื่อจะต่อยอดให้ถึงมรรคผลเร็วๆอะค่ะอย่าใจร้อนนี่แหละประโยคสํสำคัญเลยคำว่าเร็วของเราอะ <c oughs> อยากเร็วยิ่งช้าดูไปธรมธรมดาธรรมดาเนี่ยเร็วที่สุดค<ข>้าใจโลภก็ไม่ดีหรอกอย่างนี้คือใจโลภแล้ว ใ, ลใช่ไหมคะใจโลภแหละจะเอาอะจะเอามรคผลนะค่ะกาบนัวัฒนการค่ะหลวงพ่อครั้งที่แล้วส่งกันบ้านหลวงพ่อให้ไปฝึกในรูปแบบเพิ่มขึ้นค่ะก็ทกําการบ้านตัวนั้นทําได้อยู่ค่ะเอก็ถ้าทําได้ก็เจริญรู้สึกเจริญขึ้นบ้างไหม ขึ้นบ้างค่ะแต่ขตขเขาเขาแนะนําเพิ่มะค่ะหลวงพ่อดีแล้วลาใจมันจะมีแรงถ้าเราทําในรูปแบบแล้วจิตจะมีกําลังขึ้นมานะมีกําลังแล้วแต่เป็นนี้เราเป็นคนดูสบายๆดูกายดูใจทํางานมันดูเล่นๆเนี่ย๋ยวให้แข็งๆนะเป็นจงใจดูเนะียจะแข็งเลยรู้บ้างเผลอบ้างดูเล่นๆตัวเนี้ยทายากนะ <c oughs> เวลาปฏิบัติก็จะเอาจริงเวลาไม่ปฏิบัติก็ลืมไปเลย นี่หลวงพ่อบอกให้รู้เล่นๆไม่ได้บอกให้ลืมนะค่ะ ข, ขอบพระคุณค่ะจับธรรมะการ์หลวงพ่อค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มาได้กลาประการได้ฟังซีดีฟังซีดีของหลวงพ่อมาเป็นนานมากเลยแต่ก็ยังไม่เห็นอะไรหลวงพ่อจะกลันนเปิดประตูหน่อยลองลองสังเกตสีใจเราแต่และ ว, วันเหมือนกันไหม ไม่เหมือนนะบางวันก็สบายใช่ไหมบางวันก็กังวลอะไรงเงี้ยแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันในวันเดียวกันนะเช้าสายบ่ายเย็นความรู้สึกของเราก็ไม่เหมือนกันยศไม่ต้องคิดถึงคําว่าปฏิบัติอะไรทั้งสิ้นเลยนะไม่จําเป็นเลยไม่ต้องคิดว่าเราจะเป็นนักปฏิบัติอะไรทั้งสิ้นแค่คอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปความรู้สึกของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดูให้เห็นเลยว่ามันเปลี่ยนตลอดอนะ่ะมันไม่คงที่หรอก สุขก็อยู่ชั่วคราวทุกก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวนะกังวลก็ชั่วคราวดูอย่างนี้เร weg, ื่อยๆนี่แหละเรียกว่าปฏิบัติดูด้วยใจงั้นใช่ดูด้วยใจไม่ได้ดูด้วยตารู้ด้วยความรู้สึกรู้ด้วยความรู้สึกอย่างเดียวรู้ด้วยความรู้สึกนะไม่ใช่ดูด้วยตาไม่ใช่ว่าต้องนั่งหลับตาสมาธิออะไรออลืมตาไว้ลืมตานี่แหละดีพอลืมตาตาเราก็มองเห็นพอตาเรามองเห็นความรู้ส nah, ึกเราก็เปลี่ย mm น มีหูเปิดหูไว้ได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนใจมีใจใจกาคิดคิดแล้วความรู้สึกก็เปลี่ยนให้คอยรู้ทันความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงแล่อย่างนี้คือการปฏิบัตินั่นแหละนะปฏิบัติลนั่นแหละยอดของนักปฏิบัติเลยน ะ, น ะ, ะส่วนนักปฏิบัติอย่างนี้ธรรมดาคนทำอย่างนี้เยอะแยะไป ม, มีคนสงสัยนะเคยมาถามแม่ชีบอกที่นี่เขาปฏิบัติยังไง เดินไปเดินมาคุยกันแล้วหัวเเลาะแล้วก็กินเนะนี่ย ป, ปฏิบัติอีท่าไหนแม่ชีบอกนี่แหละสุดยอดของการปฏิบัติเลยเราปฏิบัติอยู่ในชีวิตจริงๆเลยเพราะงั้นโยมคอยรู้นะคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไม่ต้องดูด้วยตาหรอกกราบน้ัมศรรการหลวงคนสุดท้ายละกราบน้ัสการพระอาจารย์ค่ะเมื่อวานนี้ ล็อกความรู้สึกที่ดูซึมมาเป็นเวลานานเออให้ ด, ดีขึ้นแล้วนะคะต้องเช้านี้ก็รู้เร็วรู้ไวขึ้นนะคะจะขอการบ้านพระอาจารย์ค่ะเพราะว่ามีโอกาสมาได้ปีละครั้งนะคะก็ฝึกอย่างที่เห็นนี่แหละน ะ, ะพอเราคลายล็อกออกแล้วเราก็จะเห็นร่างกายก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตใจก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงค่ะ ทุกวันต้องถือศีลห้าทุกวันทําในรูปแบบสักสินาที15นาทีอะไรนี่น ะ, ะเวลาทําในรูปแบบก็ไหว้วพระสวดมนต์นิดหน่อยแล้วก็คอยรู้ทันเวลาจิตมันไหลไปไหลมาเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตธรรมดานี่แหละก็เห็นจิตมันทํางานร่างกายทํางานเห็นจิตทํางานก็ฝึกอยู่แค่นี้เองไม่มีอะไรมากหรอมีอะไรต้องแก้ไขไหมคะพระอาจารย์คะยังยังไม่ต้องแก้ตอนนี้นะชอบชอบดูจิตตอนขับรถเนี่ยค่ะไม่ทราบว่าเป็นข้อด้อยไหมคะ ไม่ได้หรอกแต่อย่าไปเพ่งจิตนะเดี๋ยวจิตรวมพอจิตรวมตอนที่ขับรถนี่อันตรายมากเลยค่ะนะเพราะว่าเราจะมองอะไรไม่รู้ล้วเราจะเห็นแต่ละแปลไม่ออกบางทีคเคยมีนะคนหนึ่งเด็กคนหนึ่งไปเพ่งจิตพอเพ่งจิตนะจิตรวมไปเนี่ยเห็นไฟแดงนะสักแต่ว่าเห็นค่ะวโอ้โหน่ากลัวมากเลยมันชนทีเดียวห้าคันเลยคงนะั้นเวลาขับรถเนี่ย อย่าไปเพ่งจิตเท่านะกบบารบริการประจำค่ะ